บันี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงหลักปฏิบัติเพื่อลดละบรรเทวนิวรณนซึ่งท่านแสดงไว้ในประกมพีประปัญญสูตรทน่นีีเป็นหลักการปฏิบัติที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเพราะบรรดากิเลสทั้งหลายนั้น เมื่อกล่าวถึงแง่ของการเกิดแล้วส่วนหนึ่งก็มีเชื้อเป็นธาตุอยู่ภายในใจเราส่วนหนึ่งเราก็รับมาในชีวิตประจำวันโดยผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายจิต ก, ก็ทำหน้าที่ไปรับและกำหนดสถานะอารมณ์ดอกนั้นกินเลสในลักษณะต่างๆก็เกิดขึ้น ซึ่งว่าก็ตามหลักความเป็นจริงแล้วตัวอารมณ์เขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็น mm hmm. การ ก, การจะกาหนดให้เกิดกิเลสหรือให้เกิดธรรมะหรือเกิดความรู้สึกเฉยๆ mm hmm. มันก็อยู่ที่ใจคนซึ่งเข้าไปกาหนดคุณค่าของอารมณ์ในขณะนั้นๆค mm hmm. ้านี้เปื่สังเกตเช่นเสียงบางอย่างหรือรูปบางอย่างหรือตดหรือแม้แต่รถบางอย่าง ในขณะที่คนเป็นนั้นมากชอบดูรูปเหล่านั้นชอบฟังเสียงเหล่านั้นชอบพริ้มรถในลักษณะนั้นดูหน้าของความอยากรือความโลภที่บังเกิดขึ้นแต่ว่าบุคคลผู้มีปัญญาจะพิจารณาเห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นแม่จาเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นต้องเกี่ยวข้องอย่างมีความรู้เท่าทัน เพียงแต่อาศัยประโยชน์จากสิ่งนั้นโดยไม่ข้องติดในสิ่งนั้นอย่างที่พระเจ้าทรงอุปมาว่าเหมือนกับแมลงผู้ที่บินเข้าไปในสวนดอกไม้ก็ไปดื่มน้าหวานที่อยู่มีอยู่ในเกสรดอกไม้ เ, เสร็จแล้วก็จะบินจากไปโดยไม่มีความยือใหญ่ความอะาลัยในดอกไม้เหล่านั้น ที่ใจของบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าว่าถ้ามีปัญญาพิจารณารู้เท่าทันถึงความจริงทั้งก็สงบใจได้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมกูกดิ้มด้วยลิ้นหรือถุกต้องด้วยกายก็ต่างแต่บางคนก็อาจจะกำหนดในแนวอื่นที่เราเรียกว่า เป็นปฏิคัดสัญญาหรือปฏิาติพิดกําหนดแล้วเกิด ค, ความไม่พอใจไม่ยินดีตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเช่นที่บ้านมีเสียงสุนัขเข่าขอนเสียงโนั้นที่จริงก็ได้ยินกันทุกคนพราะการได้รับได้ยินเสียงในขณะนั้นจิตใจของบุคคลผู้ได้ยินเสียงมีความคิดอย่างไร บางคนอาจจะคิดรำคาญจะนอนไม่หลับจนถึองอาจจะลุกขึ้นมาไล่ตีสุนัข ก, ก็ได้หรือควา้างปาสุนัข ก, ก็ได้แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปสู่อดีตเราะจะยิงเสียง吼หอนสุนัขนั้นเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่ก็มีเพียงบางครั้งเท่านั้นที่เรารู้สึกไม่สบาย แต่บางครั้งก็จะรู้สึกเฉยๆบางครั้งก็อาจจะฟังด้วยความชอบใจพอใจหรือสร้างหมซึ่งหมายความว่าการที่จิตเปลี่ยนแปลงไปด้วยอำนาจของโทสะในขณะ น, น, นั้นก็เกิดขึ้นจากสภาพจิตที่มีความบกพร่องในขณะนั้นด้วยเสียงปกติธรรมดาก็่อให้เกิดกิเลสขึ้นมาได้แต่บางคนที่ แยกหรือยอมรับพุทธิภาวะหรือธรรมชาติของสุนัขเราก็มองในแง่ของธรรมดาสุนัขมันก็เป็นอย่างนั้นเองก็หมายความว่าปัญญาได้เกิดขึ้นพิจารณาเห็นถึงธรรมชาติธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ปรับใจให้อยู่ได้ตามธรรมชาติธรรมดาที่ปรากฏในขณะนั้ น, น, น ทำนองคล้ายๆกับลักษณะของอากาศที่มีหนาวมีร้อนมีลมพัดมีฝนตกอะไรก็ตามที่จริงแล้วพวกนี้มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันที่บางคนเดือดร้อนจนที่เราพูดกันว่าฝนตกกไลอะแช่งคนแรงก็ไดษมันเกิดขึ้นจากใจที่ไปยึดมั่นถือมั่นแล้วไปคาดหวัง ตลอดทุกไปบงการธรรมชาติว่าให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างน้นที่จริงธรรมชาติาก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาพอเราไปบังคับก็อย่างนั้นแล้วไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็เกิดโทสะได้เป็นไปตามต้องการเราก็เกิดโลภะก็เกิดความพอใจความยิน ด, ดีขึ้นมาได้ <c oughs> พจนกิเลสในเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นจากการกาหนด ด้วยการให้ความสำคัญแก่อารมณ์การยอมรับคุณค่าของสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเป็นเรื่องสําคัญในการปฏิบัติในแต่และข้อที่พระเจ้าทรงแสดงไว้และท่านนํามารวบรวมไว้ในประบัญจสูทนีนั้นีผู้สังเกตว่าที่จริงแล้วเป็นการรวมไว้เพียงกลุ่มหนึ่งเป็นระดับหนึ่งเท่านั้นเองพราแนวในการบรรเทากิเลสที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ที่จริงมันมีอยู่หลายระดับ ยกักย้ายเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะย่างยิ่งก็เริ่มต้นมาจากสภาพแวดล้อมที่เราเข้าไปอยู่ไปเกี่ยวข้องในขณะนั้นๆจะต้องมีลักษณะน้มเอียงเข้าหาความสงบความดีงามต่างๆที่ต้นใช้คำได้ยินได้ฟังกันทั่วไปว่าปฏิรูปประเทศคือสถานที่ที่เหมาะชุกควรมีการกื้กูล ่อการสร้างสารรค์พัฒนาวิถีชีวิตความคิดความอ่านสภาพทางจิตใจของบุคคลพร้จุดสูงสุดในที่นี้ท่านเน้นไปที่พรันตนาใจคือเราไปอยู่ในสถานที่ที่ไปเกี่ยวข้องอยู่กับพรันตนาใจได้เห็นพระพุทธปฏิมาได้ฟังธรรมได้เห็นพระสงฆ์ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมได้รักษาศีลในตน ปัจจัยเหล่านั้นเป็นเครื่องสนับสนุนที่สำคัญและบางอย่างก็ทรงสอนมาในรูปของศีลซึ่งท่านสาวชนทั้งหลายจะสังเกตว่าศีลแต่ละข้อโดยเฉพาะยงยิ่งคือศีลห้าต้องการจะลดกิเลสประเภทโลภะที่แรงแรงจนถึงกับไปยุยแย่งไปทำลายชีวิตคนอื่น แย่งแรงจนถึงกับไปทํำลายทรัพย์สินของบุคคลอื่นยื้อย่างทรัพย์สินของบุคคลอื่นล่วงเกินคู่ครองของบุคคลอื่นและในขณะเดียวกันก็มีคําสอนที่ลดหลั่นกันลงมาเช่นเรื่องของอบายมุกทั้งหลายให้เราสังเกตว่าอบายมุกดันจะมีลักษณะของตอบสนองความโลภ ก, กับความหลงคือถ้าจิตใจบุคคลยังมีโมหะมีความหลงอยู่ก็จะโลภในเรื่องเหล่านั้น อยากเที่ยวกลางคืนอยากดื่มสุราอยากเล่นการพนันอยากการดูการเล่นต่างๆอยากเป็นนักเลงผู้หญิงเป็นต้นคือสรุปมันเกิดจากความอยากทำไมจึงอยากในลักษณะนั้นก็เพราะว่ามีโมฆะคือความหลงไม่รู้เหตรุรู้ผลรูล้คุณรู้โทษของสิ่งดดนั้นแต่ในชั้นนี้พระเจ้าไม่ได้แสดงในรูปของศีลแต่ทรงแสดงในรูปของธรรมะ เป็นการบอกทางในแนวชี้ทางมันเทาทุกข์ราะว่าถ้าขื่นเดินไปทางนี้แล้วก็จะประสบความทุกข์แต่หมายความว่าใครไปทางนี้ก็สแสดงถึงกิเลสที่มีอยู่มากคือความโลภมีอยู่มากความโกรธมีอยู่ความหลงมีอยู่มากทใ น, นจุดนั้นเราจะเห็นว่าพร้อมที่จะกลับมาตีกลับมาเป็นความโกรธทุกเรื่องเช่นดื่มสุราด้วยความโลภความหลง คุยกัไปคุยกันไปเถียงกันไ ป, ไปเดี๋ยวก็โกรธกันเก็ทะเลาะกันก็แสดงเกิดโกรธขึ้นเที่ยวกลางคืนนั้นเที่ยวด้วยความไปไปด้วยความอยากดูอยากชมอยา ก, กเห็นอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาจากความหลงเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันนั้นพวกเที่ยวกลางคืนก็มีการทะเลาะวิวาสจนหนึ่งฆ่ากันตายก็มีก็แสดงว่ามันก็พร้อมที่จะกลายเป็นความโกรธทุกเรื่องเป็นการพนัน ก็เล่นด้วยความโลภความหลงพอได้ตามที่ต้องการก็เกิดโลภต่อพอไม่ได้ตามที่ต้องการก็เกิดโทสะเกิดความไม่พอใจเพราะเราจึงได้ยินในข่าวมีการฆ่ากันในวงการประนันมีการหักหลังกันในวงการเรื่องการประนันด้วยความเป็นนักเลงหญิงก็จะมีลักษณะอย่างนั้นมันเกิดจากความโลภความหลงพอถึงจุดเดืมมันจะมีการยืแจ้างมีการต่อสู้ เดดึงก็ฆ่ากันตายทีเป็นขาวคราวต่างๆเกี่ยวกับทำการงานนั้นเป็นลักษณะของความโลภความหลงที่ถนอมตัวเองตัวเองต้องการความสุขความสบายแต่ในขณะเดียวกันก็นกไม่อยากทางานอาการเหล่านี้ถ้าเรามองเลยไปถึงอาการ อ, าอื่นๆที่บุคคลก็แสดงกันอยู่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องของความโลภความหลงคืออยากได้สารพัดแต่ว่า ไม่ต้องไม่ต้องการจะประกอบเหตุเพื่อได้ผลเหล่านั้นํำนองคล้ายๆแต่ต้องการจะสอบไล่ได้แต่ว่าขี้เกียจจะเรียนหนังสือหรือ็ไปขอหลวงพ่อหลวงปู่ต่างๆช่วยเหลือบทบานสางกล่าวปิดทองให้สินบนหลวงพ่อเป็นต้นในเรล่านี้มันจะออกมาให้เห็นได้อย่างเด่นชัดว่ามีอาการของความโรคความหลง หรือตัวอย่างที่คนข้างจะเห็นได้ชัดเจนในขณะนี้คือการวิ่งเต้นแสวงหาเครื่องรางของขรังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจนกลายเป็นกิจกรรมที่มีการแพร่หลายมีการลงทุนมีการโฆษณามีการเล่นกันมีการได้เสียกันเป็นจำนวนมาก ให้ลองสังเกตว่าเมตตามานิยมก็ดีคงกระพันชาตีก็ดีแคล้วคลาดจากภัยอันตรายก็ดีนั้นเป็นเรื่องที่ทุกชีวิตต้องการแต่ว่ามันก็เป็นผลซึ่งจะเกิดขึ้นมาได้ก็โดยอาศัยบุคคลได้ประกอบเหตุคือกระทาเหตุได้เกิดขึ้นเมตตามานิยมก็เกิดขึ้นคงกะพันชาตีนั้นก็เกิดขึ้นคือมันจะไม่มีใครทำอันตรายจราจะแคล้วคลาดจากเวรจากภัยแต่คนก็ไม่พร้อมที่จะสร้างเหตุในขณะเดียวกันตัวการตัวเองก็ต้องการผล จึงออกมาในรูปของการแสวงหาขอให้เครื่องรางของขลังมาช่วยไปหาเหรียญที่ดีในทางเมตตามานิยมไปหาเหรียญที่ดีในทางคงกระพันชาติไปหาเหรียญที่ดีในทางแคล้วคลาดจากคอันตรายต่างๆนี่คือลักษณะของความโลภหลงที่มันมีอยู่ในชีวิตของบุคคลก็เป็นอาการเป็นพฤติกรรมที่ปรากฏชัดเจนในสังคม ว่นเหล่านี้จึงเป็นการสอนให้บุคคลได้ตรักถึงความจริงเพราะโดยพื้นฐานความคิดที่เรารักสุขต้องการความทุกข์นั้นอาบายมุขเป็นทางเสื่อมเป็นทางแห่งความทุกข์ทาให้ต้องการความทุกข์ก็จะไปทางนั้นเรา่ะไปทางนั้นก็หมายความว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจของความโลภความหลงและพร้อมที่จะโกรธทุกข์เรื่องต่อมาพระองค์ก็บัญญัติไว้ในรูป ข, ของสีนแปประการ ตัรยกูดตัวเรียกกรรมมาฉันมาสาธุชนจะสังเกตได้อย่างเด่นชัดว่าในศีลทั้งแปประการที่จริงมันก็มี9้าข้อเยียงแต่ว่าท่านรวมข้อมาลากับข้อนัจคีเขาด้วยกันนะนั่นเองเราดูแล้วก็เป็นแปดข้อศีลแปข้อเหล่านั้นจะกระตุ้นความกำหนัดระคร่พอใจในอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะรับประทานอาหารมากหรือว่า การดูขวัญนำกับร้องพระคมนตรีดิสีจีเปล่าและการเล่นต่างๆการนั่งนอนบนที่นอนที่นอนสูงใหญ่เป็นต้นเพราะว่าผู้เจ้าก็สอนว่าในรูปของการบันเทาแล้วทั้งระดับของศีลหระดับของศีล8ระดับของอบายมุขตลอดทุงระดับของกุศลกําบุตรแล่านี้เป็นธรรมปฏิบัติในชีวิตประจําวันซึ่งหมายความว่าถ้าบุคคลทําได้ระดับนั้นกิเลสประเภทโลภะเทวโทสะ มีก็คงจะมีแต่ว่าจะไม่มีความรุนแรงจนถึงกับไปกระทาผิดที่นำความเดือดร้อน ม, มาสู่ตนเองและมาสู่บุคคลอื่นเพราะแนวที่ท่านสอนเอาไว้ในนี้ก็คือให้พยายามมองในแง่ที่ไม่สวยไม่งามท่านเรียกว่าเรียนนิมิตในอสุภะกรรมฐานก็สำนวจบาลีหน่อยหรืหมายความว่าให้มองถึงความจริงของสิ่งดดนั้น ในแง่ที่เป็นของไม่สวยไม่งามแต่ว่าก็ต่อต้านกระแสกิเลสมันก็ทวนกระแสกิเลสออกมากๆเพราะงั้นการจะเกิดความรู้ความเห็นในแนวนั้นได้ก็ต้องมันเจริญอสุภกรรมฐานจะ ย, ยกพงค์คนเลื้ยงควังขึ้นไปพิจารณาดูซากศพอะไรต่างๆหรือว่าแม้แต่ร่างกายเราเองในขณะที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมา หรือว่าไม่ได้อาบตามชำระร่างกายหลายชั่วโมงก็จะเห็นทั้งความปฏิกูลที่ปรากฏชัดเจนร่างกายเราชั้นใดร่างกายคนอื่นก็ชั้นนั้นร่างกายคนอื่นชั้นใดร่างกายเราก็ชั้นนั้นความกำหนัดก็จะกระจางไปคลายไปบันเทาไปในรูปต่างๆและเพื่อไม่ไปให้เชื้อแก่กิเลสประเภทนี้ก็ทรงสอนให้สังเกตการรับประทานอาหาร เรื่องอาหารนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราไม่สามารถที่จะทอดทิ้งก็ได้พระเจ้าเองก็ต้องเที่ยวบินตาบาตเพื่อได้อาหารมาเลี้ยงร่างกายแต่ในขณะเดียวกันอาหารถ้ามากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็มีปัญหาแล้วก็สอในให้สังเกตการบริโภคอาหารว่าสมควรและยังพอและอย่างในแนวการปฏิบัติจริงๆริท่านบอกว่าให้สังเกตดูว่าอีกสักสี่ห้าคำจะอิ่ม ก็หยุดแล้วก็ดื่มน้ําก็จบแสแดงว่าจะรู้สึกโปร่งเบาสบายขึ้นร่างกายไม่หนักไม่ตื้อไม่มึนแล้วก็ไม่จนถึงก็เครื่อมหลับไปประการต่อไปเรื่องกัลยาณนะมิตรที่เราพูดถึงเรื่องปุคลาศาสปายะคือการข้อผานสมาคมกับบุคคล น, นั้นเป็นสํำคัญให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตในขณะที่เราคุยก็ดีแล้วดู โทรทัศน์ก็ดีหรืออ่านข่าวหนังสือพิมพ์ก็ดีหรืออ่านหนังสือต่างๆก็ดีจิตใจของบุคคลจะแปรผันไปตามสิ่งเหล่านั้นตามบทบาทของการแสดงในภาพพจน์ตามเรื่องที่เราคุยกันตามหนังสือที่เราอ่านตามภาพที่เราเห็นจิตใจก็จะแปรผันไปเพราะงั้นอาการแปรผันมันก็แปรผันได้ทั้งสองอย่างคือจะเป็นสื่อรับกิเลสก็ได้รับธรรมะก็ได้ ดัง น, น, นในขอน้อนี้ท่านก็สอนให้คบหาสมาคมกับคนที่เป็นกัลรรยาณมิตรคือคนดีเรานั่งคุยสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันช่วยกันคิดช่วยกันทวงจริงช่วยกันเสริมเติมเพื่อให้เกิดเป็นความสมบูรณ์ในเรื่องานั้นตามว่าเป็นการคุยในเรื่องธรรมะ จิตก็จะโน้มน้อมเข้าหาธรรมะถ้าไปคุยในเรื่องรักๆ ใ, ใ, ใคร่ๆจิตก็จะไปทางรักๆ ใ, ใคร่ๆแต่ชวนในรูปของการกระตุ้นให้เกิดความคิดรุนแรงความคิดต่อต้านดึงความเลวร้ายของบุคคอื่ น, นมาพูดมาสนธนาการความโกรธความไม่พอใจก็จะกระพือโหัวมากยิ่งขึ้นยาแนวของการทําสงครามนั้นสังเกตว่าจะมองในแง่ที่ธนุถนองวงแขนชาติบ้านเมืองของตัวเองแล้วใครจะแตะต้องไม่ได้ ในขณะเดียวกันก็มองในแนวของความอาฆ า, าตมัดร้ายต่อคนซึ่งลุกล้ำล่วงเกินชาติบ้านเมืองของเราถ้าความรู้สึกในลักษณะนี้ไม่เกิดการสึกสงครามมันไม่เกิดรอกแต่ว่าสามารถปลุกเราขึ้นมาได้อย่าแนวที่ เ, เลปลุกเราในแนวของอารยันหรือเผ่าอารยันแนวที่ทศกัณ ปรุราในแนวของวงพรุมเม็ดถึงว่าจริงจริงความผิดของทกศกัณฐ์เป็นความผิดเฉพาะตัวเป็นความเลวร้ายของทกศกัณฐ์คนเดียวแต่จะรบคนเดียวก็สู้ไม่ได้ก็ดึงคนอื่นเข้ามาช่วยแต่การจะดึงขึ้นมาเพื่ออาศัยนางสีดาเป็นกรณีพิพาทมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะคนก็ไม่เห็นด้วยท่านก็ดึงวงพรุ่มเม็ดถูกสบประมาทถูกลูมินถูกมนุษย์กระจ่อยร่อยมา ท, าท้าตีท้าต่อยเพราะ ง, งั้นวงพรุมเม็ต้องรักษาทักษิ์ี่ในสุดมันก็กลายเป็นสงคราม ถึงว่าจริงยักษ์เหล่านั้นเมื่อปกติแกก็เมื่อก่อนแกก็ปกติอยู่แต่ถูกทศ ก, การปลุกเรา้าแล้วก็ดึงประเด็นเบี่ยงเบนประเด็นเพื่อตอบสนองความต้องการของตัเองก็กลายเป็นศึกสงครามขึ้นมาแต่นั้นถ้าบุคคลได้กัลยาณมิตรได้คนดีเป็นมิตรเป็นสหายที่ท่านพระเจ้าทรงสอนให้เข้าไปหากัลยาณมิตรเข้าไปหาผู้มีศีลพระเพนสัมนาเป็นต้นนั้นคือองค์ประกอบ หรือบูชาผู้ควรบูชากบหากับบัณดิตเป็นต้น ท, ท, ท, ที่แสดงไว้ในที่ต่างๆต้องการจะให้คนนั้นได้กัลยาณมิตรแทนที่จะคิดปัญหาอย่างเดียวด้วยตนเองแต่สินปัญหาด้วยตนเองเพราะให้กัลยาณมิตรกัลญาณมิตรเข้าช่วยชี้แนะช่วยอธิบายยานที่เคยเล่าเรื่องระวังกิสระมีความพอใจติดใจในสุภาพสตรีที่มหาท่าน จิตใจก็แปรผันไปตัวเองก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็ไปปรึกษาพระอนโนบ้างผู้ปัญชายะเขาท่านบักพระอนทนานก็แนะให้ท่านก็แก้ให้แต่พอต้องฝึกปลือจิตใจท่านจำนี้จานานแล้วท่านก็ต่อสู้อารมณ์ น, นั้นได้เนื่องจากตอนท่านบุ ก, ก็ยังเป็นหนุ่มอายุยี่สกว่าปีแต่นั่นเองปัญหาบางอย่างแก้ไม่ได้ก็อาศัยกัลยาณมิย บางอย่างเราแก้ได้เราแก้ไปแต่มีข้อแม้ว่าสิ่งที่พูดนั้นทรงใช้คบว่าสัปพายักถาเดี๋ยวเชิญชวนจักชวนในสมมาธานาฐานรืดเริยเจนแนวการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะทำไมคนมีความกระตือรอ้ น, นใครฟังใครเข้าเฝ้าใครได้ยินใครคิดคนธรรมะที่ทรงแสดง เป็นการดึงความคิดจิตใจของบุคคลจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมีอยู่ภายในใจของท่านเรานั่นเข้าหาธรรมะซึ่งเป็นการสะท้อนความจริงเป็นการแสดงความจริงที่เราเรียกเป็นสัจธรรมเมื่อท่านเรานั้นได้ใส่ใจสนใจในธรรมะไอ้พวกกิเลสประเภทต่างๆมันก็ไม่เกิดพรอรับมาทางหูมันก็เสียงธรรมะเห็นด้วยตาก็เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธปฏิมาเป็นพระสงฆ์ แล้วก็คิดด้วยใจเราก็คิดถึงบุคคลที่ศึกษาปฏิบัติในศีลในธรรมธรรมะก็เป็นเรื่องของธรรมแล้วก็ที่มาของธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าเปผู้ประเสริฐสุ ด, สดตุนผลสัพการยัคกถานั้นเป็นเรื่องใหญ่บางครั้งบางคราวพระเราเองที่ไปเจริญกรรมาฐานแม้ในสมัยพุทธกาลคืออยู่ใกล้สำนักพระพุทธเจ้าเอง แต่เมื่อเกิดคุยกันในทางที่ให้ท้อถอยให้หมดกำลังใจให้เสียขวัญสูญเสียนสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเหล่านั้นก็ ท, อ ท, อทอ้อถอยตามไปเลยเพราะได้กาถาคือได้เรื่องที่นํามาพูดกันนั้นไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนยกจ้องแต่ในขณะเดียวกันถ้าเหล่านั้นถ้าไปเจอกักบกัลยาณมิตรได้ค่อยคําที่ปลุก ป, ปรอบที่แจงให้เกิดความเข้าใจทั้งก็ไปกันทันใด นี่เป็นองค์ประกอบที่ท่านสาวชนทั้งหลายลองสังเกตว่าทั้ง5ข้อหข้อนั้นเป็นเรื่องที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแต่ในขณะเดียวกันมันก็ปิดกั้นกระแสของกิเลสประเภทโลภะคือประเภทข่อยคว้าเข้ามาหาเราอย่างน้อยก็ไม่ทำทุจริตต่างกายกับทำกัจจามการต่อไปเรื่องของพยาบาท เป็นลนักษณะของจิตใจที่เก็บกดความรู้สึกในทางที่เราไม่พอใจไว้แล้วนำมาเหนียวนึกมันนำมาจุกนึกด้วยความาคาดแค้นต้องการจะตัวตอบทาลายเหตุเกิดที่จริงมันมีลักษณะอย่างเดียวกันก็คือว่าเราไปคหนดโดยเองเพราะสิ่งนี้เราไม่พอใจรูปนี้เราไม่พอใจเสียงนี้เราไม่พอใจกลิ่นนี้เราไม่พอใจเป็นต้นปฏิกะมันก็เกิดขึ้น แต่ลองสังเกตว่าไอ้เรื่องที่เราบอกว่าไม่พอใจนั่นเองถ้ามองย้อนอดีตบางทีก็เคยพอใจมาก่อนอาจจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครอบครองสิ่งเหล่านั้นมาก่อนจําไปพอมามองจุดนี้ท่านสาธชนจะพบว่าเราก็เคยเจอความคิดในลักษณะ น, น, นี้มีของใช้มีเครื่องประดับประดาเป็นต้นเราถึงเปื้อนฟูง เมื่อก่อนก็รักใคร่กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าสิ่งของเหล่านั้นเราทนุถนอมอแขวนแข็งนแต่พอสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเก่าไปจำรุดไปแตกไปบินไปไอความรู้สึกผูกพันเดิมมันจางไปคลายไปต้องการที่จะปรักสยต้องการที่จะทำลาย เมก็ดูคล้ายๆกับแนวของสามีพัญญาจึงจะเห็นได้ว่าในตอนต้นมันก็เริ่มที่กะมาชันทักก็ใครกัใครก็ไม่รู้ยังไม่รู้จักมาก่อนในสุดก็ตกลงกันเป็นแต่งงานเป็นครอ บ, บเป็นครัวเป็นผู้ร่วมชีวิตด้วยกันพออยู่ไปอยู่มาปรากฏว่าเกิดปฏิฆาเกิดไม่พอใจกันมีการสะสมไปในชีวิตประจาวันจากพฤติกรรมของบุคคลทั้งสองฝ่ายซึ่งก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง ดีมันก็เพิ่มการมาฉันขึ้นไม่ดีมันก็เพิ่มพยาบาทขึ้นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพยาบาทมันก็อาแรงทำอะไรไม่ได้มันก็นำมาเก็บครุ่นคิดที่จะโต้อตอบที่จะทำลายล้างเพราะในเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นจากใจที่เรากำหนดเอาเช่นเดียวกันท่านก็สอนวิธีแก้เอาไว้ว่าครั้งแรกก็คือให้เรียน นิมิตในเมตตากรรมฐานนิมิตก็คือเครื่องหมายลักษณะของความคิดที่มองโลกมองชีวิตทั้งหลายในระดับที่มองและสบายใจมีความปร่งเบาเยือกเย็นเกิดขึ้นภายในใจยางที่มีการสวดแผ่เมตตากันเองกันนั่นแหละ เดี๋ขอสาทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวทไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้แต่ละชีวิตอยู่ดีมีสุขตามต้งควรคาฐานะของตนเป็นความรู้สึกต้องการที่จะให้คนอื่นก็เป็นเช่นนั้นและในขณะเดียวกันก็ต้องการให้เราได้ได้อย่างนั้นได้เป็นอย่างนั้นแต่เมตตานั้นมันก็ชักกระเยะาะโจกับกิเลสอยู่เลย ซึ่งเราเห็นได้ชัดว่าสภาพจิตนั้นแปรผันไปตามแรงกระแทกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆพี่กับ น, น้องเพื่อนกับเพื่อนสามีกับพันยาแม้แต่ว่าพ่อแม่กับลูกบางวันมันเกิดโทสะนะแม้บุคคลที่เกิดราคะเกิดความรักความอาลายัยความปุพันความเมตตาความมุงใยต่อกันโดยพื้นฐานจริงๆมันก็ต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นที่อยู่ร่วมกัน แต่เราสังเกตบางทีเราทะเลาะ ก, กับพ่อแม่บางทีเราทะเลาะ ก, กับเพื่อนบางทีสามีพัญยาก็ทะเลาะ ก, กันบางทีบ้างๆหาคนทะเลาะไม่ได้ก็ทะเลาะ ก, กับหมากับแมวไปหรือทะเลาะ ก, กับ้าบ้านนี่แสดงให้เห็นเึงว่าสภาพจิตมันแปรผันไปในแต่ละขณะเพราะอะไรเพราะเราไปกำหนดอารมณ์โดยนัยดังกล่าวบางทีในนาทีก่อนมันก็ดีๆคุยกันอยู่ดีๆ ไปนาที่ต่อมาก็มีคำพูดในลักษณะที่ทำให้เราไม่พอใจก็เกิดโทสะเก็ดมาได้พันจึงทรงสอนให้มันจเจริญเมตตาภาวนาสร้างความรู้สึกแม้จะไม่มีรูปแบบมีพิธีกรรมอย่างที่มานั่งกรรมาฐานกันในสถานที่นี้หรือว่านั่งในที่บ้านก็ตามปัญหาใหญ่มันอยู่ที่จิตใจไม่ได้อยู่ที่รูปแบบ รูปแบบจะสวยหรูยังไงก็ได้แต่ว่าจิตใจมันไม่เปลี่ยนจิตใจยังมีความอาฆาตความหกุดหงิดความโกโรธความปุโกโกรธการแข่งดีความกระด้างอะไรแต่ละอยู่ภายในใจก็เป็นรูปแบบที่สวยแต่ว่าภายในใจนั้นมีความร้อนรุนแรงด้วยเพลิงกิเลสที่จะยกตัวอย่างว่าเหมือนกับ ต้นใช้คำแรงนะ้นใช้คำมาคนลงผีคือถ้าเรามองจากขนอกแล้วลงศพก็สวยเลอเกิดบางทีประดับมุกเสียด้วยปิดทองเสียด้วยแต่ข้างในก็มีศพก็นาหวากลัวหน้าขยะแขยงหน้ารังเกยียจรังเกยีเกยตเขามุกถึทั้งหลายนั้นแสดงถึความขัดแยงกับสิ่งที่ปรากฏแก่สายตากับสภาวะที่แท้จริงของลงศพใบนั้น จิตใจบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือบางทีรูปแบบมันก็รูดด้ดีนั่งสมาธิได้เรียบร้อยแต่ว่าจิตใจนั้นหมกมุ่นคุณคิดด้วยความมาคาดพยาบาทคนที่เราต้องการจริงก็เกิดขึ้นไม่ได้วิธีที่จะให้เกิดขึ้นก็คือต้องพยายามเจริญเมตตาบ่อยๆคิดมันบ่อยๆนึกมันบ่อยๆต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสึบต่อไป